แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าเขย่าวขวัญบ้านผีสิงสวัสดีครับผมชื่อเอครับเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ผมและเพื่อนเอนเกิดคิดพิเรนขึ้นมาด้วยการลองของในบ้านร้างแห่งหนึง่งคือถ้าย้อนเวลาได้ก็จะไม่ทำเลยครับผมยังสยอง ติดตามและไม่คิดจะไปลองของที่ไหนอีกจนทุกวันนี้ผมและเพื่อนมีน้าบอสแบงค์เคนแนท ก, กลุ่มที่ไม่เคยกลัวอะไรเลยตรงไหนมีกล้าท้าผีก็ไปลองมาหมดแต่มันมาจบอยู่ตรงที่นี่แหละครับพวกเราไปที่บ้านร้างนั้นด้วยกันเฮ้ <Hey! S 1> พวกมึงรู้หรือเปล่าว่าที่นี่น่ะเยี้นแค่ไหนเคนพูดพลางมองไปรอบบ้านที่ดูเป็นบ้านร้างเศษซากไปไม้เต็มไปหมด ต้นไม้ไปยญ้าขึ้นรกรุงรังปกคลุมตัวบ้านเสียทําให้มองแทบไม่เห็นความสวยงามของบ้านที่ครั้งหนึ่งคงจะสวยมากน้าก็พูดขึ้นด้วยความกลัวว่ากูได้ยินมาว่าที่เนี่มีคนฆ่าตัวตายด้วยนะบอสพูดเสริมไปว่าเฮ้ยแต่กูได้ยินมาว่าบ้านอัเ น, นี้ยโดนโจนปล้นแล้วโจรเนี่ยฆ่าคนยกบ้านเลยนู้เว้ยแถมไม่พียมันยังฆ่าตัดคอลูกสาวเจ้าของบ้านด้วยนะเอองั้นกูว่ากูกลับดีกว่านะนักต่อพร้อมเดินหันหลังกลับ เฮ้ย hey, กลับไม่ได้เว้ยอย่าป๊อน้ําบอกงั้นเอาอย่างนี้เรามาดูกันว่าเรื่องไหนไมันจะเป็นเรื่องจริงแบงค์เสนอความคิดเห็นเฮ้ย <Hey, S 1> มึงจะเอาจริงเหรอวะคืว่าเรากลับกันดีกว่านะผมห้ามไว้เฮ้ยเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมึงยังจะกลัวอีกเหรอวะเคนเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงที่อดอยากรู้อยากเห็นไม่ได้ทุกคนยกเว้นเคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลัวสิวะเฮ้ย<ะ> <Hey, S 2> เกี่ยวไรงกับกลัวก็มึงกล้าสุดงั้นมึงนําเลยแบงค์พูด กูบอกตอนไหนเนี่ยว่ากูกล้าสุดแล้วทำไมมึงไม่ไปอ่ะบอสเถียงกลับก็กูเสียสละให้มึงอ่ะมึงนําไปเลยเดี๋ยวพวกกูตามไปแบงค์พูดแล้วก็ผลักบอสออกไปบอสจําเป็นต้องเดินนําไปข้างหน้าเฮ้ยมึงเดินไปเร็วๆสิไอ้บอสเคนพูดมึงมาเดินเองไหมไอ้เคนบอสพูดพลางหันมอไปหาเคนไม่เอาอ่ะกูเกรงใจทึ้งได้ไปเถอะแล้วก็เดินไปสักพักก็ได้ยินเสียงเหยียบใบไม้ ทั้ ท, ที่แทบจะไม่มีใครเข้ามาในบริเวณบ้านหลังนี้มันนานหลายปีมากแล้วพวกเราค่อยๆไปที่ประตูบ้านที่ดูเหมือนจะชารุดเลยเปิดเข้าไปได้ง่ายมากบรรยากาศข้างในอึมครึมวังเวงแถมยังเห็นรอยเลือดเก่าๆที่แห้งติดตามพื้นห้องบางสว่วนพวกมึงกูว่าพวกเรากลับกันดีกว่าไหมอย่าเข้าไปมากกว่า น, นี้เลยว่ะกูกลัวผมพา ย, ยายามบอกเพื่อนๆให้เปลี่ยนใจแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะพูดอะไร จู่กๆก็มีเสียงลอยตามลงมาอย่างแถวทําให้พวกผมต้องยืิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าแม้แต่จะขยับไปไหนช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยพวกมือได้ยินได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าวะผมพูดด้วยความสงสัยบวกกับความกลัวก็ก็ได้ยินเหมือนกันอะ่ะแล้วมันเสียงใครวะทุกคนหันหลังชนกันจับมือกันแน่น ช่วยด้วยพาออกไปจากที่นี่ทีเสียงแววมาเป็นประโยคเบาๆหากได้ยินชัดเจนเอ็นดักแกถามพี่เขาสิว่าเขาต้องการอะไรอ่ะน้ำพูดด้วยเสียงใสแต่ทำไมต้องเป็นกูอ่ะแน็กถามกลับพร้อมกับสีหน้าซีเซลมันไข่ต้มแต่ยังไม่ทันที่ใครจะตอบอะไรเสียงของแบงค์ก็ดังขึ้นมาก่อนเฮ้ทุก คนแบงพูดด้วยน้ำเสียงขาดเป็นช่วงๆราวกับตกใจอะไรบางอย่างมีอะไรไอ้แบมดูน้องดิแล้วทุกคนก็หันไปมองตามสายตาที่แบงจ้องมองอยู่เป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบันไดชั้นบนมือนึงถือที่ศัก์ของตัวเองไว้ส่วนมืออีกข้างกวักมือเรียกพวกเราเหมือนให้เข้าไปหานั่นยังไงก็ผียายพบพบพผีพพพพพ ยังไม่ทันสิ้นเสียงทุกคนก็ได้วิ่งพยายามออกจากตัวบ้านแต่ประตูบ้านมันดันปิดดังปังแล้วพวกเราพยายามจะเปิดจะเปิดไม่ออกชิบหายแล้วมึงน่าจะผีจริงๆใช่เปล่าวะเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยน้ําพูดอย่างปากสัน่นและผมตั้งเดชเพราะความกลัวสุดชีวิตจริงดิมึงคนที่ไหนจะมายืนที่หัวตัวเองแล้วกวกมือเรียกพวกเราวะน้ําพูดโดยน้ําเสียงสั่นเทาหมายถึงใครเหร ลศนาพูด ย, ายานันยานแทรกเข้ามานี่ไ อ, อ่เห๊ะมึงไม่ต้องพูดเสียงยานขนาดนั้นก็ได้มั้งน้ำบอกหันมามองผมอะไรของมึงวะน้ำนี่กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมตอบอ้าวแล้วมันเสียงใครวะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยนี่ของจริงใช่ป่าววะผมอดที่จะพูดด้วยน้ําเสียงสั่นไม่ได้อย่าทาอะไรพวกเราเลยนะต้องการอะไรบอกฉันได้เดี๋ฉันทําให้ทุกอย่างเลยน้ําพยายามพูดอย่างสั่นส่วนมือก็เนนมมือไหว้ขอร้อง จริงๆนะพวกมึงจะทําให้ทุกอย่างจริงๆนะเสียงที่เบาๆเหมือนค่อยๆลอยตามลมมาเปลี่ยนเป็นเสียงที่ดังตรงวานภาพที่ชัดขึ้นจากที่เห็นผีหัวขาดเปเงาอยู่กกไกลๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเข้ามาใกล้ตรงหน้าพวกเรามากเกินไปกูไม่น่าเลยเยี่ยงกุณแล่นรุ่นเนี่ยน้าเอ่ยอย่างทรมานทุกคนหลับตาพยายามไม่มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ก็ดูเหมือนจะมีพลังบางอย่าง ทำไมต้องเงยหน้าขึ้นมองเธอถือหัวของเธอไว้ในมือข้างขวาผมยาวดุ้มรังแต่ที่แส่กระโปรงยาวใบหน้าดำคัำ้งช่วงลำคอและส่วนหัวที่ขาดมีเลือดหยดตลอดเวลาก่อนที่จะเอ่ยปากบอกว่างั้นพวกเธอช่วยเอารูปนี่ไปเผาให้ฉันหน่อยได้ไหมเสียงที่เย็นเย็นเนยานดังลั่นเหมือนตะโกนถามออกมาพร้อมกับใบหน้าที่รู้สึกเหมือนจะเข้ามาใกล้ จนผมได้กปล่นขาวของเลือดท ท, ทำไมเหรอเคนถามก็ <_ S 1> เพราะว่ารูปนี้มันเป็นรูปของฉันกับพ่อเธอช่วยเผาให้ฉันหน่อยนะประโยคเหมือนเป็นประโยคขอร้องแต่ดุดันเต็มไปด้วยคำสั่งคือถ้าไม่รับปากคงจะออกจากบ้านนี้ยากไ ด, ได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะไปเผาให้เธอเลยขอบคุณนะรอยยิ้มแยก ที่เหมือนดีใจแต่ดูยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีอ้าแล้วถวายสังฆทานให้เราด้วยนะเธอหันกลับมายิ้มแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหายตัวไปแล้วประตูก็เปิดได้พวกผมวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อออกจาก บ, บ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดวิ่งแบบไม่ห่วงเลยว่าไอ้พวกเพื่อนที่อยู่ข้างหลังมันจะตามมาทันไหมตอนเช้าวันรุ่งขึ้น พวกเราต้องมาที่วัดมาทําตามสัญญานึกแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะเคนพูดขอบคุณนะทุกคนเฮ้ยเอ๊มึงจะขอบคุณอะไรวะกูเนี่ยนะพูดกูยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยเฮ้ย hey, แล้วใครลไรที่พูดเคนถามทุกคนหันไปดูแล้วร้องเฮ้ย <Hey! S 1> ขอบคุณนะที่ทําตามสัญญาร่างหญิงนั้นปรากฏขึ้นบางเบาแต่ดีตรงที่ไม่ได้มาแบบถือหัวมา ไม่เป็นไรหรอกครับพวกเราเต็มใจผมพู ด, พดออกไปเฮ้ย hey, นี่กระสายแล้วเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะไอ้แบมพูด <_ S 1> ก่อนที่ทุกคนจะสบตากันเป็นอันรู้ว่ารีบวิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะ <_ S 2> ผมยังนับ 2> <_ S> 1 2สองไม่ทันถึงสไอ้พวกเพื่อนตัวดีก็ได้วิ่งเฉีวไปซะ ก, ก่อนปล่อยให้ผมต้องวิ่งรั้งท้ายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกผมก็ขยาดที่จะกล้าท้าผีหรือลองของเพราะครั้งนั้น เล่นทาเอวเล็หัวฟูโดนล้อไปอีกเวรของกรรมไม่เหลือสภาพคนอวดเก่งกันสักคนหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ